ขันบน้อมพระรัตนตัยขอกาศครูบาอาจารย์ทุกรูปขอกาศเพื่อจะทรมิกทุกท่านจะเดินในธรรมแม่ขีและก็ยาติธรรมทุกคนเขาฝันษะ า, าก็ผ่านมาแล้วนะหนึ่งปักนะเขาถึงวรนพยาดีก็รอบหนึ่งก็นะผ่านมารวดเร็วเนาะแต่จริงมันก็ไม่ได้เร็วหรอก วันเวลามันก็เท่าๆกันนั่นแหละนะแต่บางทีความรู้สึกนะเวลาเราทําอะไรแล้วเรารู้สึกทําแล้วมันมีความสุขนะทำแล้วมันเกิดความสบายทําแล้วมีความพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่นะวันเวลามันก็เลยผ่านไปเหมือนเหมือนกับว่ามันรวดเร็วนะในจริงมันก็เท่าๆกันนั่นแหละนะบางทีถ้าเราไม่ไป ย้อนคิดถึงอดีตหรือว่าย้อนคิดถึงอนาคตไปคิดถึงอนาคตมากนะเราอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆนะอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆอยู่กับการทำงานทางานอยู่กับการปฏิบัติธรรมก็ดีนะวันเวลามันจะผ่านไปนะอย่างที่เราไม่ต้องกังวลใจกับอดีตและ ก, กับอนาคตนะมันก็เลยรู้สึกว่าวันคืนมันผ่านไปร่วงเร็วนะแต่จริงก็ เรารู้สึกแบบนั้นเพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบันนะพอยอ่อพอมองย้อนไปมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันผ่านไปเร็วเนาะะ mm hmm. เหมือนกับบางคนนะแต่แต่มาเองแต่ก่อนเคยขึ้นเขาหลายรูปนะขึ้นเขาไปหลายรูปเราก็มีความตั้งใจในการเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะเอ mm hmm. พอมองย้อนกลับไปเอ้าขึ้นเขาไม่ได้ต้องมือถือเงินเนาะ เราก็ตั้งใจเดินทีละเก้าทีละเก้าเขามันก็อยู่ต่ําลงเพื้นดินที่อยู่ข้างล่างก็ต่ําลงไปต้องว่าไกลหรือบางขณะออไปเดินทางไกลเช่นเดินทุ้ดง เ, ออเดินวันนึงได้ยี่สิบสากิโลมันก็รู้สึกเออแปบ๊บเดียวนะแต่ถ้าเราไม่เริ่มเดินทาง20 30กิโลนะมันจะรู้สึกว่าไกลมากแต่พอเดินเจริงนะ ก็เดินทีละเก้าทีละเก้าทีละเก้านะมันก็ผ่านไปได้ไกลเหมือนกันมันอย่างเมื่อวานนะมีพระส่วนหนึ่งมีแม่ชีมีโยมไปช่วยส่วนหนึ่งไปช่วยขึ้นขุดขุดดินที่รังสารไกนะ่เพื่อทำแทงเก็บน้ำฝนนะไปในวัดก็ขุดกันได้ประมาณความสูงประมาณร้อยร้ยเจเซนติเมตรนะ ความยาวประมาณ6เมตรนะความกว้างประมาณ3เมตรนะก็กะว่าจะขุดนะในวันกุมกรนั่นแหละไม่ได้ตั้งใจว่าจะขุดให้เสร็จหรือเปล่านะแต่พอทําไปทําไปโอ้มันก็ใกล้มักใกล้ผลละนะใกล้จะเสร็จก็เลยทาให้มันเสร็จไปเลยนะถึงประมาณทุ่มหนึ่งนะขอพระไปช่วยกันเยอะนะก็เสร็จนะเริ่มจากจอบทีละขุดจอบทีละ ครั้งทีละครั้งทีละครั้งนะตักดินทีละปุ่มกีนี่แหละออกมานะไม่รู้ถ้านับรวมกันคงหลายหมื่นปุ่มกีนะมันก็เสร็จสำเร็จได้แต่ถ้าบางทีถ้าถ้าเราถ้าใจเราไปคิดถึงว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จเมื่อไหร่มันจะเสร็จเมื่อไหร่จะได้พักเมื่อไหร่จะได้เลิกนะใจเราจะมีความกงังวลวุ่นวายมากแต่พอสังเกตหลายๆคนก็ทำก็ไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จ ก็เพียงแต่ตั้งใจขุดทีละครั้งทีละครั้งตั้งใจยกทีละครั้งทีละครั้งนะหลายคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปมันก็สำเร็จเสร็จสิ้นได้นะจะสังเกตเลยว่าถ้าเราวางใจเป็นในขณะที่ทำงานมันจะไม่ทุกนะแต่เหนื่อยกายมันคงเหนื่อยอยู่นะเพราะร่างกายอย่างไรมันก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมชาติขนาดเครื่องจักรเครื่องกลนะทำงานไปเขก็ยังร้อนก็ยังพังได้นะ คนนับประสาอะไรนะมีเดือนมีเนื้อนะมีเอ็นมีกระดูกมันก็ต้องเหนื่อยบ้างเป็นธรรมดานะแต่มันเหนื่อยแต่กายนะแต่ใจมันรู้สึกสบายนะมันสบายเพราะว่าอะไรนะเพราะาไม่ได้ไปคิดถึงอนาคตว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จเพราะที่จริงมันก็เสร็จทุกครั้งในขณะที่เราก็ะทำนะแต่เพียงแต่ว่าเราก็ทาแล้วก็วางไปนะวางไปทีละครั้งทีละครั้ง ทำไปเรื่อยๆนะมันก็สําเร็จเสร็จสิ้นได้ไม่ใชการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนะบางทีถ้าเราไปคิดถึงว่าเมื่อไร่เราจะรู้นั่นรู้นี่ได้นั่นได้นี่นะสัมผัสกับสภาวะธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ที่เป็นจุดหมายที่เป็นเป้าหมายที่เราต้องการอยากจะได้ถ้าเราไปคิดถึงแต่เรื่องนั้นนะจิตใจเราก็คือว่ามันไม่อยู่กับปัจจุบันจิตใจเราไปหมกมุ่นถึงอนาคตนะ ก็คือการที่เราไปคาดคั้นไปเรียกว่ามุ่งที่เป้าหรือว่าผลสําเร็จมากเกินไปแทนที่เราจะทําเหตุนะที่จะทําให้มันสําเร็จนะตั้งใจที่จะทําเหตุตรงเนี้ยให้ดีที่สุดดีกว่าเหตุที่จะทําให้เกิดมรรคผลนิพพานก็คืออะไรก็คือต้องเกิดสติเกิดปัญญานี่แหละเพราะเราก็กลับมาทําเหตุมาจะเดินมรรคนะให้มันสมบูรณ์มรรคตั้งแปดองค์ หรือว่าโพธิปักทั้งสามงเจประการนะที่จริงอาจจะดูเหมือนมากนะแต่ที่จริงสรุปโดยย่อก็คือถ้าเรารู้สึกตัวบ่อยๆนะรู้สึกตัวบ่อยๆมักทั้งสามงแประการนะนะเออมักทั้ง8ประการโพธิปักสามเจ็ประการก็ว่าเถอะนะมันก็จะจากการที่เรารู้สึกตัวบ่อยๆสิ่งต่างๆเรานะั้นนะมันจะเดิน ง, งอกงามขึ้นมาของมันเองนะมันจะเดินของมันเองนะเออ ออกไปออกไปออกไปเรื่อยๆนะมันก็เรียกว่าค่อยๆสะสมไปไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไหร่มันจะได้ผลแต่จริงเราทําทุกขณะมันก็ได้ผลอยู่ทุกขณะนะแต่บางทีผลขนาดใหญ่ๆผลที่เป็นสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมันยังไม่เกิดก็ไม่เป็นไรเราทําเหตุทําปัจจัยถูกต้องแล้วก็พอแล้วนะตรงนั้นให้ปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรมที่เขาจัดสรรของเขาเองนะ เป็นกรรมฐานที่ไปจัดสรรให้จิตใจมันพบกับความสุขพบกับความปล่อยวางพบกับความไม่ทุกข์ของเขาเองหน้าที่ของเราทําแค่นี้มันเป็นธรรมชาตินะมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของของชีวิตก็ว่าได้คล้ายๆ้ความมหัศจรรย์ของร่างกายของเราเนี่แหละนะทานอาหารไปทีละคำทีละคำอาหารที่ทานลงไปในที่ทานลงไป จากปากของเราเกลืนไปสู่ท้องมันเรียกว่ามันซึมซับไปทั่วร่างกายที่กว้างศอกยาววานหนาคืมมันไปของมันเองนะสังเกตไหมหน้าที่ของเราก็เพียงแค่ทานอาหารป้อนอาหารเข้าไปในทางทวารปากเตอนนั้นแต่สุดท้ายร่างกายมันก็ย่อยอาหารส่รงสารอาหารไปทั่วร่างกายเกิดกําลังเกิดวิตามินเกิดอะไ ร, ะรต่างๆมากมายโอ้เนี่ย เป็นความมหสัยสัจรันร์ของร่างกายซึ่งมันมันทำงานของมันเองความมหสัยัจรันร์ของจิตใจก็เช่นเดียวกันเพียงแค่มีสติรู้ตัวเข้าไปในแต่ละขณะแต่ละขณะสติมันก็จะทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดศีลทาให้เกิดสมาธิทำให้เกิดการปล่อยวางทำให้เกิดสิ่งดีๆงา ม, งาม ห, ลาหลายอย่างมากมายกับชีวิตนี้ทำให้เกิดเป็นความสุขทาให้เกิดเป็นความไม่ทุกข์ ทำให้คนอื่นเห็นแล้วก็มีความสุขมันเกิดเกิดมากเกิดผลเกิดผลต่างๆทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนอื่นมากมายเช่นเดียวกันโอ้มันเป็นความอัศจรรย์ของของการฝึกจิตถ้าเราฝึกจิตามากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเห็นผลที่สัมผัสได้กับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆหรือคนอื่นก็อาจจะเห็นผลที่เกิดขึ้นกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะ ไปประเทศจีนข่าวก่อนนะมีนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่เชิงพิการดักนะแต่อาจจะเป็นโรคอะไรไม่รู้ขาเดินไม่ค่อยสะดวกนะเหมือนคล้ายงอเข่าอะไรไม่ค่อยได้นะเขาก็มาปฏิบัติธรรมข่าวก่อนหน้านู้นครับหนึ่งมาข่าวที่แล้วเขาก็มาอีกนะก็เห็นหน้าตาก็เปลี่ยนแปลงมากนะข่าวก่อนนี่เขามาแบบหน้าดังคำเคียดนะไม่ค่อยยิ้มนะ ไม่เคยยิ้มพะดคีครั้งนี้เขามาเดาเรื่องการปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าเขาศึกษาธรรมะมาสา4สิบสี่สิบปีแล้วแต่ไม่เคยเข้าใจธรรมะเลยทำแบบจริงจังนะเข่งเครียดนะทำไปยิ่งเครียดมากกว่าเก่าคนรอบข้างเช่นภรรยาเช่นลูกก็นะเครียดภรรยาก็บอกว่าไม่เคยเห็นเขายิ้มมาหลายสิบปีแล้วนะ เนี่ยแล้วก็บอกว่าพอมาปฏิบัติธรรมนะพ อ, พอชายคนนี้อายุมีเป็นคนมีอายุมากแล้วคงหกสิบกว่าปีมาปฏิบัติธรรมแบบยกมือตั้งจังหวะนะเขาบอกว่าเออเขาเริ่มยิ้มได้เริ่มปล่อยวางเป็นนะภรรยาก็เห็นผลว่าโอสามีไปมาปฏิบัติธรรมแบบวิธีนี้เออยยิ้มได้ใจดีขึ้นนะปล่อยวางเป็นรอบนี้ก็เลยมาปฏิบัติธรรมกับสามีด้วยนะ เอาลูกที่ถ้าภาษาเราเรียกว่าอาจจะสติปัญญาไม่ค่อยเต็มมากนะก็มาปฏิบัติธรรมด้วยนะมาปฏิบัติธรรมกันทั้งครอบครัวเพราะอา น, นิสงส์เกิดจากพ่อที่ปฏิบัติธรรมแล้วเห็นผลแม่ก็เลยอืเห็นผลดีแล้วก็มานะมาปฏิบัติตามลูกก็มาปฏิบัติตามอ่ะนี่ยมันเกิดผลต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ มีผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุคงประมาณห้าสิบปัวแล้วนะเขาก็บอกว่าทั้งครอบครัวเขาเนี่ยปฏิบัติธรรมแบบยกมือเจริญสตินะไม่ใช่ครอบครัวแค่พ่อแม่ลูกเขาบอกว่าทั้งพี่ทั้งน้องทั้งลูกของพี่ลูกของน้องทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งหลานนี่ปฏิบัติธรรมวิธีนี้หมดเขาบอกว่าทั้งตระกูลทั้งตระกูลอ่าไม่ใช่ตระกูลที่เป็นแท้ทั้งหมดนะ แต่คล้ายในเครือญาติของเขาเนี่ยปฏิบัติทำวิธีนี้นะเพราะผลการปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้ผลจริงนะมันก็เรียกว่าส่งผลต่อเนื่องให้กับคนอื่นมากมายเช่นเดียวกันเหมือนกับสมัยพุทธกาลถ้าย้อนไปสอง9ปีอาจจะช่วงประมาณวันใกล้ๆ้เคียงกับช่วงนี้นั่นแหละนะหลังจากพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใหม่เกิด ผู้รู้ตามก็คือปัญจวคีร์ทั้งห้าเป็นบุคคลเบื้องต้นในครั้งแรกหลังจากนั้นไม่นานนะทาพระพุทธเจ้าก็จำพรรษาอยู่ที่ป่าอิสิตปัตนะมฤคทายวันนะก็คือสถานที่ที่ท่านแสดงปฐมเทศนานั่นแหละก็มีชายหนุ่มลูกงามคนหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีมีฐานะมีตระกูลที่เมืองพาราณสี เดินน้องนะเดินเพอ้อนะจากปารณสีเพ้อว่าอะไรเพ้อว่าอ๋อที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอคงพูดอย่างนี้มาตั้งแต่ปรณสีถึงสารนาศระยะทางประมาณสิบเอดกิโลเมตรนะเดินเพ้อเนี่ยพูดมาแบบเนี้ยเพ้อไม่รู้ว่าเดินมาทางไหน แต่สุดท้ายด้วยบุญบารมีนะที่สะสมความดีก็เพ้อมาถูกทางเพ้อมาถูกที่ที่พระเจ้าท่านประทับอยู่นะก็เดินมาใกล้ๆกล้ที่ป่าอิสิปตนะมรดกไายวันก็ตะโกนแบบนี้แหละที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนาะพระพุทธเจ้าก็ก็เป่งเสียงตัดกลับไปให้พอให้ยัตสักคนลบุตรเขาได้ยินว่า ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอมาที่นี่เถอญาศาิสากุลังบุตรนี่ตกใจมากเพราะตัวเองในตะโกนแบบนี้มาคงหลายชั่วโมงละเดินมาสิบเอ็ดกิโลเมตรเออมันมีแต่ความวุ่นวาย ม, มีแต่ความขัดข้องคนอื่นได้ยินก็ไม่เห็นมาสนใจเราเลยแต่มีคนส่งเสียงรับว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจงมาที่นี่เถิด ยศ ะ, ะเหมือนคล้ายๆเบ้าที่ไม่มีเชือกไม่ล่องรอยไปเรื่อยๆพอมีคนมากระตุกนะเออได้สติขึ้นมานิดนึงได้สติแล้วเออเดินไปตามเสียงนั้นดีกว่ายษ ะ, ะกุลบุตรก็เลยเดินไปตามเสียงที่พระพุทธองค์ท่านตัดตอบนะก็เดินมาที่ป่าอิทิตไปต น, นะมฤคทายวันพอพระพุทธองค์ก็แสดงธรรมนะแกยะสะกุลมาบุตรเจอกระทั่ง ได้ดวงตาเห็นธรร ม, มได้ดวงตาเห็นธรรมนะ่จากคนที่เห็นว่าโลคมันวุ่นวายโลคมันขัดข้องทั้งทั้งที่ตัวเองคือว่าญาตเนี่ยถ้าแตบเทียบแล้วก็เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งหมดรวยก็รวยเรียนก็เก่งเพื่อนฝูงก็มากมายภรรยาก็สวยงามนะีมีพร้อมทุกอย่างครอบครัวก็ดีพ่อแม่ก็รักใคร่ มีพร้อมทุกอย่างแต่ก็ยังเห็นว่าชีวิตมันวุ่นวายชีวิตมันขัดข้องเพราะว่ามันรู้สึกว่าแม้สิ่งที่มีที่เป็นภายนอกเป็นเงินเป็นทองเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยามันก็ยังไม่ให้ความสุขที่แท้จริงนะมันก็ยังมีความสุขที่เจอกับความทุกข์มันก็ยังเป็นความสุขที่เจอกับความผูกพันเมื่อจากกันก็ต้องร้องไห้ เมื่อเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ต้องทุกขใจเสียใจมันจะเป็นความสุขที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นความทุกข์อยู่เสมอยัศะก็เป็นผู้ที่มีปัญญาก็เห็นว่าโอ้มันขัดข้องตรงนี้นี่เองแม้มันจะมีพร้อมทุกอย่างแต่มันก็ขัดข้องที่ว่ามันก็ยังเป็นความสุขที่พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นความทุกข์นะมันวุ่นวายวุ่นวา ย, ววายเพราะคนนั้นคนนี้วุ่นวายเพราะการเพราะงาน อันนั้นเป็นความคิดของเขานะแต่ที่จริงความมุ่นวายทแท้ออที่จริงมันอยู่ภายในใจของเขาเนี่ยแหละนะมันอยู่ภายในใจยัติก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะก็เกิดไนงะคล้ายๆเหมือนที่เล่าเมื่อกี้อ๋อญาพอได้ดวงตาเห็นธรรมพ่อแม่เห็นลูกหายไปจากบ้านทั้งคืนแล้วก็ตามหาตามมาเรื่อยๆตามไหนก็ตามถูกนลยนะมาเจอรองเท้าของญาตคุณบุตร ถออยู่ใกล้ใกล้ปล่าอิสิปตนะมรคกข า, ายาวันก็เลยเดินตามมาที่ป่าก็เจอพระพทุทธองค์ก็มาถามหาถามหาลูกชายกับพระพทุทธองค์นะก็ถามว่า เ, ออเห็นลูกชายของกับผมดิฉันหรือเปล่ารูปร่างสันถานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ตอบคำถามนะสแสดงธรรมก่อนนะยัะกษกุนุบิก็อยู่แถวนั้นน่แหละ แต่พระเจ้าองค์ท่านก็อาจแสดงอัดแสดงปรากฏการที่ท่านมีมีความสามารถบางอย่างนะให้พ่อแม่ไม่เห็นลูกนะก็สแสดงทมให้แก่พ่อแม่แก่พระยศกุณบุตรนะจนพ่อแม่ยศกุณบุตรก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นอุบาสกอุบาสิกาคู่แรกในโลกนะที่เข้าถึงพระรันตนตรัยก็คือเข้าถึง พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น พ, พ, พ่อแม่ยศศากุลนุบุญเนี่ยได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้แรกเหมือนกับญาติโยมหลายคนเนี่ยเป็นอุบาสกอุบาสิกาความหมายอุบาสกคืออะไรความหมายอุบาสิกาคืออะไรก็คือผู้ที่เข้าใกล้พระรัตนตรัยนเข้าใกล้พระพุทธเข้าใกล้พระธรรมเข้าใกล้พระสงฆ์แต่ถ้าสามารถเลื่อนระดับจากความเข้าใกล้เป็นความเข้าถึงนะ เข้าถึงพระรันตนตยก็คือเป็นพระอริยบุคคลนะเขถึงพระรันตนตรัยก็คือเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่โดยสมมติเราก็เรียกสำหรับผู้ที่ไม่ได้บวชว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเช่นเดียวกันอุบาสกอุบาสิกาก็มีสองพระพุทธสอประเภทนะผู้ที่เข้าใกล้พระรันตนตรัยแก็ผู้ที่เข้าถึงพระรันตนไตรัยนะพ่อแม่ของยาตคุณพระญาติคุณระเบิดก็เป็นผู้ที่เข้าถึง ปรันตนนท์ไตแล้วนะลูกชายได้ฟังธรรมตรงนั้นจากที่เป็นเพียงแค่พระโสดาบันก็กลายเป็นพระรหันตามมานะพ่อแม่รู้ธรรมภรรยามาฟังธรรมด้วยนะคงไปโปรดที่บ้านถ้ามาจะไม่ผิดนะก็รู้ธรรมตามเพื่อนฝูงพระยาศกุณบุตรอีกห้าสิบกว่าคนนะห้าสิบสี่ห้าสิบสี่คนนั้นก็ตามมาฟังธรรมเอ๊ะ hey, ทาไมเพื่อนเราหายไปไหน หารพอรู้ข่าวว่าไปบวชกับพระสมณะครัวดมก็ตามมาหาเพื่อนอาจจะไม่ได้คิดจะตามมาฟังธรรมมั้งคงตามมาเยี่ยมเพื่อนเหมือนพวกเราหลายคนน่ะมีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่มาอยู่วัดก็ตามมาหามหาญาติแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เจอแต่ญาติได้มาเจอธรรมด้วยนะหลายคนก็ออกบวชตามหลายคนก็ได้มาปฏิบัติตามนะ ก็เป็นเรื่องราวที่สมัยพุทธกาลก็มีเช่นเดียวกันเกนพญสระทั้งห้าสิบสี่คนนะก็ได้มาฟังธรรมจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอระหันต์เช่นเดียวกันอตอนนี้พระพุทธเจ้ามีทีมละหกสิบนะคนรวมกับพระพุทธองค์ด้วยนะเลยจะหกสิบเอ็ดคนรวมกับพระพุทธองค์น ะ, ะความจําอาจจะไม่แน่นะพระเจ้าท่านบอกเนี่ยจะรัฐพิคเวจาริ้กังหิตายะ จาริกรรมสุขายะโรกานุกรรมปายะนะเมื่อคนอนนี้รู้ธรรมะออกพรรษาแล้วมีทีมประมาณหกสิบคนเนี่ยท่านบอกเลยวิสูทั้งหลายเธถิงจาริกไปยังที่ต่างๆนะเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนหมู่มากนะก็คือเมื่อรู้ธรรมแล้วไปไปสอนกันแยกกันหกสิบทิศนะอยาเดินไปด้วยกันสองคนให้ไปคนละทาง เราเองก็จะไปที่เมืองราชคฤห์เช่นเดียวกันนะพราะพุทธองค์เนี่ยท่านเห็นว่าความสุขที่ที่เกิดจากการรู้ธรรมะนี่มันไม่ใช่แค่ความสุขเฉพาะตัวต้องเป็นความสุขที่เอาไปแบ่งปันให้กับคนอื่นเขาได้รู้ตามด้วยเนะี่ยก็เลยเกิดเป็นคณะคณะเผยแผ่ธรรมะเป็นคณะแรกก็ว่าได้นะพระโตองค์ท่านวางไว้เลยนะให้ไปเผยแผ่ธรรมะนะ ท่ามที่ต่างๆเท่าที่พอไปได้ก็ไปกันคนอาทิตย์คนอาทางพระพุทธองค์ก็ไปเช่นเดียวกันมันก็เลยธรรมะมันก็ได้สืบทอดมาถึงพวกเราในยุคในสมัยนี้เนาะเริ่มจากบุคคลแรกคือพระพุทธองค์ต่อมาเป็นปัญจวัคคีต่อมาเป็นยาติศักดิพุทบุตรต่อมาเป็นเพื่อนฝูงของพระญาติศักดิทบุตรต่อมาเป็นร่ายคนเจนทั้งมาถึงพวกเรา ในตอนนีนะ้เห็นเลยว่าความสืบเนื่องความต่อเนื่องเนี่ยมันมีมาเช่นนี้เช่นเดียวกันดังนั้นนะ่ะถือว่าพวกเราเป็นผู้ที่เรียกว่าได้สะสมบุญบารมีมาพอสมควรจึงได้มีโอกาสมาฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมบางคนก็ได้เริ่มรู้ธรรมตามไปด้วยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรว่าดีงามแล้วธรรมะตัว น, นี้นะพยายามสืบทอดรักษาไว้แต่อย่าไปสืบทอดรักษาไว้ที่ไหน ให้ใจเราเนี่ยแหละเป็นผู้ที่สัมปัสธรรมให้ใจนี่แหละเป็นผู้ที่ได้สืบทอดธรรมนะให้ใจเนี่ยได้เป็นผู้ที่ส่งทอดธรรมต่อไปใจที่มีสตินะมันจะเกิดปัญญาเกิดการปล่อยวางเกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระธรรมของสั่งสอนของพระพุทธองค์ในธรรมชาติที่เป็นไปของชีวิตนะค่อยๆมีสติรู้สึกตัวไปไม่ต้องเร่งร้อนเร่งรีบนะแต่ไม่ใช่ เกียจค้านนะหรือเอ้อเหายือดอยชายก็ไม่ใช่มันเป็นความพอดีไม่เอ่งไม่รีบแต่ก็ไม่เกียจค้านไม่ชักช้ามันไปพอดีพอดีนะเหมือนกับเราเดินทางถ้าเดินสม่ําเสมอไปเรื่อยๆทีละก้าวมันก็ไม่เหนื่อยถ้าวิ่งทีเดียวก็อาจจะได้เร็วแต่ก็เหนื่อยต้องหยุดพักต้องเสียเวลานะ ช้าเกินไปหมอแต่เ อ, อิร์ดเหอยลอยชายพักนั่นพักนี่เดี๋ยวก็เดินหลงทิศหลงทางไปก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นทางสายกลางคือทางที่ไม่เร่งไม่รีบแต่ก็ไม่ไม่ชักช้านะเป็นทางที่มันพอดีพอดีแต่ทางที่จะเกิดความพอดีบางทีมันก็ต้องรู้จักว่าสิ่งที่มันผิดมันคืออะไรใจที่มีความอยากนะก็คือมีตัณหา เมื่มีตัณหามันก็ได้เกิดเป็นความทุกข์ให้รู้ทันนะรู้ทันแล้วก็ละนะรู้ว่ามันเกิดความทุกข์กอนนะบางทีมันไม่ใช่รู้ตัณหาโดยตรงหรอกแต่พอมันรู้ว่าใจมันทุกข์รู้ว่าใจทุกข์มันจะย้อนกลับไปเห็นว่าอ้อความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยเพราะมันมีความอยากนี่เองเพราะมีตัณหาเมื่อมันรู้ทุกข์มันจะละตัณหาลงทันทีนะเมื่อมันเห็นว่าใจมันทุกข์มันวาง ความอยากได้นะ่ก็คือละตันหาได้ก็เลยเกิดเป็นความนิโรธเกิดเป็นความไม่ทุกข์นะเ น, นี่ยการปฏิบัติธรรม อ, อริยสัจสีทั้งทีประการนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันในขนาดเดียวนะเกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อรู้ทุกข์มันก็ละสาเหตุของความทุกข์มันก็เกิดกลายเป็นความไม่ทุกข์มรรคก็ได้เจริญก็คือได้ทาในสิ่งที่ถูกต้องที่จะ ไม่ทุกแล้วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นพร้อมกันอยู่ทุกขณะที่จริงอดีมักนะมีองค์แปดที่มันอยู่ในอริยสัจสี่เนี่ยเราสามารถจเจริญได้พร้อมกันทีเดียวนะทั้งศีลสมาธิและก็ปัญญาจะทั้งเกิดความวิมุตตุดพ้นในขนาดนั้นนะอา จ, จะย้ำได้ว่าในขนาดนั้นก่อนนะอาจจะไ ม, ไม่ใช่ความวิมุตตุรพ้นโดยถาวรแต่จริงการหลุดพ้นในขนาดนั้น ไม่ทุกข์ในขนาดนั้นก็คือผลที่เราสามารถสัมผัสได้ก็คือถ้าเรารู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันมันก็เกิดความไม่ทุกข์อยู่ในปัจจุบันไม่ต้องไปรอชาติหน้าวันไหนนะเราก็สัมผัสได้กับผลในปัจจุบันตรงนี้แหละเออเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความจริงที่พระพุทธองค์ท่านสอนไว้ถ้าใครปฏิบัติตมก็ต้องได้รับผลตามแน่นอนนะแต่ต้องเรียกว่าปฏิบัติถูกด้วยนะนะ ถ้าปฏิบัติไม่ถูกนะแม้อาจจะทำภายนอกทำในรูปแบบนะคล้ายๆนะกับที่พระพุทธองค์ท่านสอนไว้นะทำสมาธินะทำบุญทำทานรักษาศีล น, นะจะเดินภาวนาก็แล้วแต่ทำภายนอกเช่นนั้นแต่ภายในใจวางไว้ผิดก็ไปดวงทิศผิดทางได้เช่นเดียวกันดังนั้นการทำที่แท้จริงก็คือการทำในใจแต่เกนป จะเป็นการมารักษาศินก็ดีจะเป็นการมาฟังธรรมก็ดีจะเป็นการฝึกผัดภาวนาก็ดีต้องทำภายในใจให้ถูกถูกอะไรคือถูกความเป็นจริงนะถูกในที่นี้ก็คือต้องทำในใจให้ถูกก็คือการรู้ทุกข์ให้ถูกรู้ว่าทุกข์มันคืออะไรกายใจมันทุกข์อย่างไรทุกข์ในความเป็นทุกข์ขังมันเป็นอย่างไรนะ ทุกขังก็คือสภาวะที่มันทนนะในอาการเดิมไม่ได้ทุกที่มันต้องบีบคั้นนะต้องเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นอย่างไรดูให้เห็นรูปแร่นามนี้มันเป็นทุกอย่างไรให้เห็นเห็นความเป็นทุกข์ของมันเห็นความเปลี่ยนแปลงคงที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ของมันเห็นว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเท่านั้นไม่ใช่เป็นไปตามใจเราเลยนะ มันเป็นเพียงแค่เหตุแค่ปัจจัยของมันทำถูกเหตุมันก็เกิดผลทำผิดเหตุมันก็ผิดผลนะทำเหตุให้เกิดความทุกข์มันก็เลยเกิดเป็นความทุกข์นำเหตุให้เกิดเป็นความไม่ทุกข์มันก็เลยกลายเป็นความไม่ทุกข์มันมีแต่เรื่องเหตุแล้วก็ผลที่มันสัมพันธ์กันเท่านั้นไม่ใช่เป็นเพราะว่าใจเราอยากมันเลยเกิดผลเช่นนั้นธรรมะยิ่งมันตรงกับข้า ตกลงข้างกับทางโลกเลยนะบางทีในทางโลกเราเรียนรู้หรือว่าเราคุ้นชินกับการที่ต้องตั้งเป้าตั้งผลเพื่อให้เกิดความสำเร็จนะบางทีเราก็คิดว่าเราต้องมีแบบนั้นแหละมันถึงจะสำเร็จได้เช่นตั้งเป้าจะเรียนให้จบนะเราก็ตั้งใจเรียนหรือว่าเราก็เรียนไปนะมันก็สามารถจบได้บางคนก็ตั้งเป้าที่จะ ให้โดยมือตั้งเป้าที่จะให้มีตาแหน่งอย่างนั้นอย่างนี้หลายๆคนก็สามารถทำสำเร็จอย่างเป้าที่ตัวเองตั้งใจได้นะอาศัยความอยากเป็นตัวนาอยากที่จะได้นั่นได้นี่สำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้อาศัยความอยากเป็นเป้ารอไว้แล้วก็มันก็เลยเกิดกิเลสนะ่ะที่ทำตามความอยากอ่านะมันก็สาเร็จได้นะเพราะบางทีมันก็มีวิธีการมันะมีทางแทกมากมาย นันก็สามารถสําเร็จได้แต่ก็ไม่กับทุกคนหรอกนะแต่ถ้าใครมีมานะนะมานะในทางโลกก็คือไม่ย่อท้อพยายามทำให้สําเร็จให้ได้นั่นก็เกิดผลได้เช่นเดียวกันนะแต่พอมาปฏิบัติรรมแล้วบางทีการเอาความอยากเป็นตัวนำํำนะเอามานะที่แบบบากบัน่นนะที่จะทําให้สําเร็จอันนี้ไม่ใช่มานะแบบทางภาษาบาลีนะ เป็นมานะในทางโลกที่เราเข้าใจก็คื อ, อพยายามทำให้มันได้นะแต่บางทีในทางทำนะไม่ใช่บางทีหรอกทำทมถ้าเอาตัณหาเป็นตัวนำนะไม่สาเร็จนะต้องวางตัณหาให้ได้มันมีเป้าหมายในชีวิตมันมีเป้าหมายในการปฏิบัติแต่ในขณะที่ปฏิบัติต้องวางต้องละวางสิ่งที่เป็นความต้องการสูงสุดตอนนั้นไว้ เพียงแค่รู้สภาวะในปัจจุบันแค่นั้นพอไม่ต้องเอาความอยากจะได้มรรคผลนผลิพพานอยากรู้นั่นรู้นี่อยากเกิดความสงบยิ่งอยากได้มรรคได้ผลยิ่งอยากได้ความสงบกับไม่ประสบพบเจอเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระธรรมที่เป็นความเป็นจริงของธรรมชาติถ้ามีความอยากเป็นตัวนานะมันไม่ได้หรอกนอกจากต้องวางความอยากให้ได้ถึงจะพบมรรค ถึงจะพบผลที่ได้เกิดจากการปฏิบัติเนาะดันั้นเราต้องรู้ทันนะแต่บางทีก็อาจจะละไม่ได้ทันทีแต่ขอให้รู้ทันความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเร็วๆมันจะเกิดการละของมันเองไม่ต้องไปคิดละความอยากแต่ขอให้รู้ทันทุกข์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆรู้ทันปัจจุบันธรรมที่เกิดขึ้นบ่อยๆความอยากมันก็ละของมันเองนะมันจะเกิดขึ้นกี่ครั้งพันหนก็แล้วแต่แค่รู้ทันมันก็พอ ทุกสภาวะทุกอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี้อะไรก็ได้ที่มันเด่นในปัจจุบันตรงนั้นเราดูมันนะดูกายมันเคลื่อนมันไหวดูกายมันทุกข์ดูกายมันหยุดมันนิ่งดูอะไรก็ได้นะที่เป็นเรื่องของกายดูเข้าไปจนกทั่งเห็นซึ้งในเรื่องของกายโดยใจมันเปลี่ยนแปลงโดยใจมันแปรปวนเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ชังนะเดี๋ยวก็สงบนะ ก็ดูเหมือนไปดูความเปลี่ยนแปลงของมันเห็นเลยว่าอ๋อเนี่ยมันความเปลี่ยนแปลงมันเกิดเพราะความมันทนเนอากาศเดินไม่ได้จะดีขนาดไหนจะเดวขนาดไหนมันก็เปลี่ยนแปลงไปของมันไปไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเนะ่ยเราก็ดูเรื่องของรูปเรื่องของน้ำเนี่ยศึกษาเรื่องรูปเรื่องนามของเราเนี่แหละให้มันชัดเจนนะอย่าส่งจิตไปหาคนอื่นมากมายนะให้กลับมาดูตัวเองจาก คบอารมณ์อะไรก็ได้แต่ในขณะที่ทำงานในขณะที่ทำครัวในขณะที่อยู่ร่วมกันในหลายชีวิตในขณะที่อยู่กับตัวเองคนเดียวก็เหมือนกันอย่าพยายามสงจิตไปหาไปหาคนอื่นอยาแสบไปหาคนอื่นมันห้ามไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะคอยรู้ทันมันเร็วเมื่อใจเราบล็อกแฝกไปหาคนอื่นกลับมาดูใจตัวเองทันทีอ้อใจบล็อกแฝกออกไปขาดสติแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้ว พอไปวิาพากษ์ไปวิจารณ์ไปคิดไปวิเคราะห์ไปสนุกสนานตามคนอื่นไปกลับมาดูใจตัวเองเนี่ยเราทําหน้าที่ในอ้อมันจะเห็นเลยว่าอ้อที่จริงแม้การปฏิบัติธรรมมันก็สามารถทําได้ในชีวิตประจําวันแม้การปฏิบัติธรรมมันก็สามารถทําได้กับการกับงานกับการพบปะ ก, กับผู้คนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะมีสติกลับมาดูตัวเองบ่อยๆบางครั้งมันก็กลับมาดูใจที่มันรับรู้อารมณ์ บางครั้งมันก็กลับมาเห็นกายที่มันทํางานของมันเองมันเป็นเรื่องที่บังคับไม่ได้จะเห็นกายเวทนาจิตธรรมไม่สามารถบังคับได้มันไปไปตามเหตุตามปัจจัยของมันสติมันทํางานของมันเองไม่ใช่เราอยากจะทํางานแบบนั้นไม่ใช่เราจะจะรู้แบบนั้นแต่สติมารู้ของมันเองก็เห็นอ้อการทําการทํางานมันก็สามารถฝึกสติได้อยู่คนเดียวก็สามารถฝึกสติได้เช่นเดียวกัน ทำในรูปแบบบ้างทำนอกรูปแบบบ้างมันเกิดความสนุกความสนานเกิดความเพลินไม่ใช่สนุกแบบทางโลกแต่เป็นความสนุกในทางธรรมสนุกที่จะรู้จากตัวเองมากขึ้นนะรู้จากคนอื่นจะรู้มากขนาดไหนก็ไม่ได้มรรคผลนผิพพานหรอกนะต้องรู้จากตนเองนี่แหละถึงจะเกิดนะถึงจะเกิดมรรคเกิดผลนะกลับมารู้ตัวเองบ่อยๆนะคนอื่นก็ถือว่าเป็นการอนัญมิตรกัน เป็นเพื่อนร่วมทางหลายคนหรือว่าทุกคนในที่นี้ก็ตั้งใจที่จะถึงความไม่ทุกข์เช่นเดียวกันนะก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันเพื่อนร่วมเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยกันนั่นะแหละไม่มีใครที่เขาอยากจะทำให้คนอื่นโกรธไม่มีใครที่เขาอยากจะทำให้คนอื่นทุกข์หรอกแต่บางทีก็อาจจะเกิดเพราะความเผลอสติไปบ้างเกิดจากความหลงไปบ้างก็ให้อภัยกันไม่เป็นไรนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าที่จริงเราก็เกิดจากประสบการณ์ของเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทําผิดเราก็เคยทําผิดมามากมายเคยทําถูกมาบ้างอคนอื่นเขาสามารถทําผิดได้เช่นเดียวกันคนอื่นเขาก็สามารถหลงได้เช่นเดียวกั น, น, น, กาากนแต่ตอนที่เราผิดก็ดีเราหลงก็ดีบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะก็ต้องมีคนเตือนบ้างเออเราก็กลับมารู้ตัวหรือสติมันเตือนตัวเองบ้าง อ, อมันก็เลยกลับจากความหลง แต่ความผิดกลายเป็นความรู้นะมันก็เป็นธรรมชาตินะมันมีแต่ความให้อภัยกันนะมีแต่ความเมตตากันเห็นคนอื่นนงเออก็รู้ว่าตัวเอง ก, ก็เคยสงเช่นเดียวกันก็มเมตตากันให้อภัยกันเตือนกันบอกกันนะแนะนำกันจุงกันไปในทางที่ถูกมากขึ้นเรื่อยๆนี่นแหละมันจะเกิดเรียกว่าความสงบความลบเจดไปในหมู่คณะของเราเนาะ ที่อยู่ร่วมกันในพรรษาในไตรมาสนี้หรือว่าหมูคณะที่อยู่ที่อื่นก็เป็นเนื้อเดียวกันนั่นแหละนะจะเป็นคนไทยก็ดีอ่าหรือว่าคนชาติไหนภาษาไหนก็ดีหรือที่จริงแม้แต่ทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ดีหรือแม้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นก็ดีนะก็เป็นเพื่อนกันทั้งนั้นนะเพื่อนร่วมทางสู่ความไม่ทุกข์นะเราก็เดินทางของเรา เป็นเป้าหมายหลักช่วยเหลือคนอื่นด้วยเป็นเป้าหมายที่ทาประกอบกันไปเนาะเป็นการร่วมกันเดินทางไปสู่ความไม่ทุกข์เนาะก็ขอให้ทุกคนได้เจริญในศีลในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไป